พระธรรมเทศนาแผ่นที่95าลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีแสดงธรรมในวันที่4มิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่าอยู่ที่ใดอย่าเอาความหนักใจไปให้ท่านถ้าเราเปิดไฟไว้ที่ศาลา มันก็มีพวกมแมลงมาตอมไฟหัวนสมวก็ลงมาหาพวกเรามากัดมาบินมาไต่พวกเราก็ทำให้เสียสมาธิในการนั่งในการฟังแต่สิ่งที่ไม่ดีกันเน่ถามันมืดบางทีองค์ไหนนั่งสับปะกก็ไม่เห็น มันเสียไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันน่ะทมันสว่างไปเห็นพระนั่งสัพพงกเวลานั่งเขาไปกัตั้งสติให้เข้มแข็งจะไปนั่งสัพพงกไม่ได้นะเวลามันสุบสับพพงกกับตั้งต้นใหม่หเข้มแข็งตั้งสติให้แน่วแน่ให้เข้มแข็งขึ้นอย่าให้มันหลับแต่โดยมากเวลานั่งภาวนามันจะหลับนะ มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเหมือนกันนะเพราะจิตใจตามปกติเราจะปุงมฟุ้งไปตลอดเวลาเวลานั่งภาวนามันตล่อมเข้ามาให้มีสติอยู่กับตนเองอยู่ที่ปลายจมูกพอจิตสติบัรจุที่ปลายจมูกที่มันมาอยู่จุดเดียวเท่านั้นมันความง่วงไม่รู้มันมาทางไหนก็ไม่รู้ท่านี้พอมันไม่ปุ่มไม่ฟุ้งไม่ซ่านมันเลคือหลับเท่านั้ ความหลับเขเลยเข้ามาเป็นเจ้าของบ้านเลยจะ น, นั่งอยู่กับสัพพงกงกกันเอ๊ะทำไมนั่งภาวนาเนี่ยทําไม่วะมันทําไมไม่อยากจะหลับปะแต่พอนั่งภาวนาเท่านั้นแหละทาไมว่วะกิเลสตัวไหนวะมันทำไมขนาดนี้วะมันไม่เกรงไม่กลัวไม่ยอมเกรงเราเลยเนี่ยวะ ่ก่อนเวลาไม่นั่งภาวนาทำไมมันไม่งอกไม่งว่วงแต่พอเรานั่งภาวนาทำไมงอกงวก่วงนะโดยมากผู้ที่ภาวนาได้ยินเขาบ่นมันอย่างนั้นเหมือนกันนะวันนี้เป็นวันที่สี่มิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าวันนี้เป็นวันพระแรมสิบห้าค่ำ เดือนหกดับอีกไม่นานจากนี้ไปก็เป็นวันเข้าพรรษาของพวกเราเพราะนั่นให้พวกเราเตรียมพร้อมนะปีนี้เราจะทำอะไรแต่วางแผนวางแผนชีวิตของพวกเราที่เป็นนักพฤนักบวชก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่เออะเหยลอยลมไปเรื่อยเป็นวัน ไม่มีการวางแผนในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะท่องปฏิโมกให้ได้ข้าพเจ้าจะท่องให้สจดมนให้จบในพรรษานี้เพื่อไม่ให้เป็นภาระในการสวดมนต์สาธยายต่อไปภายภาคหน้าเราจะท่องพยายามท่องให้จบหรือว่าเราจะทําความภาคเพียรอย่างไงในพรรษาเนี่ยปีเนี่ย แต่ปีทุกปีที่ผ่านมามันเออละเหย้ยไม่จริงไม่จังแต่ในพรรษาปีห้าสิบเ้าเนี่ยข้าพเจ้าจะเข้มงวดกวดขันกับตนเองจะภาวนาอย่างไงจะปฏิบัติตนอย่างไรจะเข้มงวดอย่างไงการหลับการนอนการอยู่การฉันเราจะอดอาหารอย่างไรเราจะภาวนาอย่างไงอันนี้พวกเราต้องวางแผนนะ เขาจะทำความชั่วเขายังมีแผนงานอะไร น, นีเราเออจะคำทำคุณงามความดีไม่มีแผนไม่ปีแปนเชลเลยก็ไม่น่าจะถูกนะเพราะนั้นในพวกเราทุกทุกท่าน เ, าเขามาบวชบวชมาทั้งทีใน พ, พุทธศาสน า, เ, าเสียสละทางโลกมาแล้ว เ, เราจะ ปล่อยปะลาล่าเลยยังไงทไมใจของเราจึงไม่สงบเพราะเหตุว่าเราปล่อยออกไปทางโลกมากเกินไปแต่ละวีตละวันเราก็รู้อยู่แล้วโลกมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่ทำไมเราจึงปล่อยจิตปล่อยใจไม่ให้ให้สติอยู่กับตนเองอย่างที่เราต้องการ อย่างที่เราปรารถนาว่าอยากจะให้มีสติสัมปชัญญะที่ลมหายใจเข้าออกพอกําหนดน้อยนึงออกไปละทะเลทะลายไม่ร่วไปที่ไหนตัวที่ไหนวันนั้นพวกเราสังเกตนะ่ะที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้พวกเราสังเกตตัวเองสรุปแล้วก็คือให้ภาวนาเวลากิจการงานช่วยก็ช่วยหมู่ เวลาออกจากนั่งภาวนาอยู่เอกเทศอย่าไปพูดอย่าไปคุยอย่าไปโมวสุม่มจนเกินไปกันเกินไปไม่ใช่เรื่องของพระกิ จ, จวัตรคววัดใครอยู่ที่ใดต้องรักษาในบริเวณของตนเองให้สะอาดเรียบร้อยอันนี้คือหน้าที่ของพวกพระ การอยู่การฉันก็นเหมือนกันให้มีวินัยในการฉันฉันขนาดไหนพอเหมาะไม่ใช่วันไหนก็ะสันหลากท้องออกทุกวันอจนเกินประมาณเอแล้วจะบนหามรคนิพานมีแตก่กรรมมรรเลสมันจะเหยียบคอผลวในสุค น, นันอยู่ในาศาสนาไม่ได้พอออกไปยอยากจะออกไปพอออกไปแล้วเกิดกลับเข้ามาอีกเอ แปลว่าหลักลอยนิสัยลเอลอะเออเลอะเทอะเลอะเลอละเลือนเลื่อนลอยใช่ไม่ได้คนประเภทอย่างงั้นเพราะนั้นคนโบราณเขาจึงบอกว่าชายสามโบทห้ามรับแปลว่าเลาะแหละคนชายสามโบทคนโบราณเมืองไทยนะแต่ในพระไตรปิฎกน่ชายเจ็ดโบท ชายบวชเจ็ดครั้งจังได้สำเร็จเป็นพระราหารอยู่นะแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยคันท่าว่าบวชถึงสามครั้งสามคราแหละแปลว่าเลาะแหละเต็มทนไม่ควรจะรับให้เป็นเป็นหมู่เป็นเพื่อนเพราะจิตใจไม่มั่นคงอันนี้พวกเราให้ตรวจตราดูตนเองนะพูดทางนี้ทางนั้นไม่ให้เพ่งมองไปคนอื่น เพลงมองเข้ามาหาตัวของพวกเราทุกทุกท่านให้เป็นผู้มุ่งมั่นให้เป็นผู้ตั้งใจการเป็นอยู่อย่าไปคบกับคู่คนอย่าไปเกี่ยวข้องกับคู่คนอย่าไปวิสาสศากับคู่คนเราหวังอะไรข้อบวชเข้ามาเราเป็นผ้าน้อยพนมเราต้องอยู่แบบเกี่ยมตัวเยียมตนเรามาอยู่ที่นี่ อย่าให้ผมได้เห็นนะเกี่ยวข้องกับคนนั่นคนนี้ขนของให้คนนั่นคนนี้เ อ, อโดยที่ไม่ใช่พ่อแม่ของตนเองนะระวังแต่ผมเห็นเมื่อไหร่ผมจะไล่ออกจากวัดนะศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันกันใครมาสแสวงหา เ, เรื่องไม่เป็นเรื่องอยู่ในวัดของเรานะ เ, เก็บพร้อมรอมริบ มาอยากจะอยากจะได้ลาบได้ยศนีะไปหาที่อื่นไม่ควรจะมาหาในวัดในวัดมันหาบุญมันไม่ใช่หานรกอยู่ในวัดมันต้องหาสร้างบุญสร้างกุศลไม่ใช่ว่าเราจะไปหาหาเศษท้าเลยขโมยเล็กขโมยน้อยอยู่ในวัดผลในสุดปลูกต้นโพขึ้นมาเท่าไหร่ก็ไม่ไหวเลยมีแต่เปรตห้อยหวนู่ต้นโพ ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นทุกคนนะศรัทธาญาติโยมนะพระเนนทุกองคนะให้ประกอบคุณงามความดีให้สั่งสมบุญกุศลบาปปูนนั้นไม่ได้เข้าข้างออกขานะใครทําชั่วก็คือชั่ววันยังค่ําถ้าใครทําดีก็เป็นบุญกุศลวันยังค่ำอีกเหมือนกันเราเข้ามาในพระพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาสู่วัดวาทศาสนาเพื่ออะไรได้ถามดูตนเองไหมได้ถามไหม ข้าไปเจ้าเขามาเพื่ออะไรมาต้องการสิ่งภายนอกใช่ไหมหวังร่ำหวังรวยใช่ไหมหวังเสร็จหวังเลยใช่ไหมอหวังต้องการอะไรถ้าว่าเราต้องการบุญกุศลสิ่งไหนที่เป็นบุญเป็นกุศลให้สังสมถ้าออกไปทางนอกให้มันขยันทำมาหาเลี้ยงชีพขยันเอาเลยถ้าอยู่ข้างนอกวัดนะถ้าอยู่ในวัดเนะี่ยเราต้องทำตนอีกแบบนึ่งเป็นสถานที่เพาะบ่มนิสัย อบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีมีมารยาทที่ดีมีศีลอายจรรวัตที่ดีเข้ามุยสู่วัดวาศาสนาเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่อบรมทางด้านจิตใจอพอมาอยู่ที่วัดก็ยิ่งโลภโหโมกณะมีแต่อยากอยากอยากพวกอยากมีแต่พวกเปรตเท่านั้นพวกเราอย่าเป็นเปรตนะให้เป็นคน ให้สร้างสวรรค์สร้างนิพพานเข้าสู่ในหูจิตเข้าสู่ใจของพวกเราสิ่งที่มันไม่ดีสอนแล้วสอนอีกสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำอย่าคิดอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีคิดพูดทำแต่สิ่งที่ดีเมื่อเราทําสิ่งดีแล้วน่ะเราภาคภูมิใจนะพวกเราทุกๆุกคนนะไม่ว่าครวญญาติโยมไม่ว่าพระสงฆ์ลูกหลานทั้งหลาย ให้ต้องอกตังใจภาวนาให้เป็นคนดีสรุปแล้วอยู่ขนาดนี้ไม่พอเหรอต้องการอะไรอีกใครขอซ้ายขอขวาขวาน้าขวาลังประจบประแจงศรัทธาญาติโยมบอกมานะเดี๋ยวเราจะไล่ออกจากวัดให้หมดให้พระองค์ไหนให้ดูดูกันนะไม่ใช่เน่าเฟะจะก่อนยังจะค่อยมาพูดกัน องไหนที่มันไม่ดีบอกอย่าโจมก็เหมือนกันเราต้องการคนดีเราไม่ต้องการคนเร็วเราต้องการพระดีเราไม่ต้องการพระเร็วเราต้องการคนมีคุณภาพพระมีคุณภาพเพราะให้พวกเราฟังเอาไว้ข้าข้าไปเจ้ามีคุณภาพหรือยงังถ้าข้าเจ้าไม่มีคุณภาพต้องดูนะดูตนเองถามไม่ ไม่ดูตนเองนะอถ้าหลวงพ่อเห็นนะหลวงพ่อไม่ได้ว่านะลูกหลานนะพวกเราทันทั้งหลายนะอไลพ่พระออกจากวัดไม่โลกกี่ครั้งกี่หนนะอตระกูลของเราไม่ใช่ตระกูลแอมแบบใจดีนะตระกูลหลวงปู่มันตระกูลหลวงตามหาบัวตระกูลหลวงปู่ล่านะลลลเน่อไล่พระไล่เนนออกจากวัดไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่เอาไว้ทำไมพระเนนไม่ดีเไม่ไม่ขยัน มีเรื่องมีราวอีกต่างหากมาใช้นักหลงนักเลงอยู่ในวัดไม่ได้นะหลวงตาท่านตระกูลของหลวงพ่อหลวงพ่อศึกษามากับครูบาอาจารย์สายนี้นะไม่ใช่สายอ่อนแอปวกเปียกนะสายเข้มงวดกวดขันนะก็ะได้พวกเราทุกทุกท่านศรัทธาญาติโยมทุกคนให้เป็นผู้มุ่งมั่นตั้งใจไหวบุญไฝกุศลให้ภาวนา สถานที่แห่งนี้เป็นสถานเพาะบ่มนิสัยอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดีอไม่ใช่ไถ่ไม่ใช่สถานที่บ่มความชั่วหลวงปู่ลาน่ะเคยพูดบ่มบ้าหลวงบ่มบ้าบ่มบ้าให้สุขแต่ก่อนอยู่ข้างนอกบ้าก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่พอมาอยู่วัดทะไรบ้าบยิ่งดุนแรงขึ้นเพราะแก่ขึ้นเรื่อยๆพอมาอยู่วัดเอวัดก็เลยเป็นหลงบ่มบ้าะ ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอันนี้หลวงคําพูดของหลวงปู่ล่าที่สอนที่บอกหลวงพอ่อไม่ใช่ธรรมดาเนะ่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเนี่ยนะแนะนำสั่งสอนแบบถึงอกถึงใจทีเดียวเลยเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเข้ามาบวชเข้ามาอยู่วัดสู่วัดวาศาสนาสรุปแล้วให้ตั้งอกตั้งใจให้สั่งสมบุญกุศล ชีวิตของพวกเราจะอยู่นานไปสักเท่าไร เ, าเรามีเกินความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาจะ่ล่วงพ้นความเกิดแก่เจ็บตายไปไม่ได้ เ, เราสวดจุมเกี้ยนี่จเจียงไม้มันเป็นของเจียงทั้งนั้นเพราะนั้นพวกเราเมื่อรู้ว่ า, าชีวิตของเรามันเป็นเพียงแค่นี้แล้วาถาวามันมีความจำเป็น อยู่ในวัดมีความจำเ จ, เจนเจ็บเก็บไข้ได้ป่วยมีอะไรก็บอกหลวงพ่อนะอหลวงพ่อได้จะตกประัยมาไม่ได้เพื่อใครเพื่อวัดวาศาสนาเพื่อลูกศิษย์ลูกหาที่มาปฏิบัติธรรมที่อยู่ในวัดเนะี่ยเอพระเนนอยู่ในวัดเนะี่ยปรจใจสีที่อยู่ในวัดเนอะมีความจําเป็นมากน้อยเอาใช้แต่ไม่จําเป็นอะยานะอืมถ้าใช้ในสิ่งที่ไม่จําเป็นหลวงพ่อจะไม่ให้ใช้ใช้ในสิ่งที่จําเป็น หลวงพ่อไม่ได้เก็บไว้เพื่อหลวงพ่อนะเก็บเพื่อหมู่เพื่อคณะเพื่อวัดวาศาสานาให้ภาเนนให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งอกตั้งใจภาวนาอย่าได้ขาดขาดข้องขาดตกบกพร่องในปัจจัยสี่ปัจจัยสี่ไม่ให้ขาดตกบกพร่องแต่จะไม่ให้ฟุ่มเฟือยเหลือเฟือถ้าฟุ่มเฟือยเหลือเฟือนไม่ใช่เรื่องของพระ อทิ้งเกลื่อนไปหมดไม่รู้จักเก็บแต่เมื่อเป็นคารวาสไม่มีใช้ใพอเข้ามาอยู่เป็นพระเนะ่ยลืมตัวไม่น่าจะถูกเราเป็นพระเราต้องสั่รวมระวังให้ประหยัดในการใช้ทามันเหลือมาอุน่นเอาไปวัดอื่นทำบุญอืหรือให้กับผู้คนที่เขาจำเป็นอที่เขาต้องเป็นจำเป็นจะต้องได้ใช้เราต้องคิด อย่างนั้นที่เป็นนักรลนักปวดไม่ใช่ว่าใช้สุม 4, สี่ซุมห้าไม่ได้นะใช้ปัจจัยสี่นะเรื่องภาวนาเนะี่ยนั่นแหละเป็นหลักแต่ละวันเราจะเดินกี่กี่ชั่วโมงวันหนึ่งตอนเช้าตอนเย็นตอนเที่ยงเราจะนั่งภาวนากี่ชั่วโมงต้องมีกําหนดกฎเกณฑ์กับตนเองไม่ใช่วันไหนกับวันเก่า เรามาบวชมาเพื่ออะไรเราไม่มีอยู่มีกินใช่ไหมเนี่ยเป็นฆราวาสเรามาพึ่งพาอาศัยพอได้อยู่ได้กินกับวัดวาศาสานาอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันเออเมื่อเข้ามาแล้วเราทําไมเนตักอกตั้งใจเฮ้ภาวนาจะทําอะไรให้ทําให้จริงจังจริงใจจะไปทำเลอะแล ะ, ล ะ, ล ะ, ล ะ, ละเออจะไปทําให้หมู่เพื่อนหนักอกหนักใจกับเรา เราอยู่กับครูบาอาจารย์จะให้ครูบาอาจารย์หนักใจอยู่กับพ่อกับแม่จะให้พ่อแม่หนักใจกับเราอยู่กับหมู่กับเพื่อนจะไปกินแรงหมู่พวกเพื่อนช่วยเหลือหมู่พวกเพื่อนช่วยเหลือวัดวาศาสนาอันไหนจะเกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาจะช่วยช่วยกันคิดจช่วยกันทํานี่แหละวัดเรื่องวัดวาศาสนาเรื่องการเป็นอยู่นะ นานๆหลวงพ่อจะได้พูดอย่างนี้ให้ฟังแต่พูดบางมีแต่ทำความดีให้ภาวนาให้ปฏิบัติรักษาศีลสิ่งเหล่านี้นานๆพวกเราจะได้ยินถ้าได้ยินเป็นยังไงไอโอปัญิโกนะมองพวกเราทุกๆคนนะหลวงพ่อต้องการพระดีสรุปแล้วหลวงพ่อท่าว่าไม่มีใครดีหลวงพ่อจะอยู่องเดียวหลวงพ่อบอกแล้อเลหลวงพ่อจะอยู่องค์เดีย ว, ออยยวถ้าหาคนดีไม่ได้ แต่หลวงพ่อจะไม่ทําความชั่วอยู่องเดีย ว, วจะเป็นจะไม่ทาความชั่วโอ้หลวงพ่อจะอยู่ได้ยังไงอยู่องค์เดียวไนะเฮ้ยไม่ต้องคิดยากหลวงพ่อเกิดมาเกิดมาองเดียวเกิดมาคนเดียวไม่ได้แบกใครเกิดมาด้วยไม่ได้เกิดมาแฝดอีกต่างหากเออแคอยู่คนเดียวจะไปยากอะไรไปบินทบาทาเสร็จแล้วก็ปิดประตูแต่ใส่กอนไว้อีกต่างหากไม่ให้ใครมาเกี่ยวข้องเออ ถึงข่าวมัจะตายเองถึงใครไม่เป็นงั้นมก็ถึงข่าวมาแล้วอเอไปหายากอะไรอชีวิตกันรู้อยู่แล้วชีวิตเป็นของไม่เทียนแท้แ น, น่นอนเกิดแก่เจ็บตายอตายยังไงมันก็ตายขอให้ตายต่อคุณงามความดีตายต่อศีลต่อธรรมนั่นแหละเลิศประเสริฐเอตายต่อกิเลสราคะโทสะโมหะถึงจะตายยังไง มันก็เป็นตายด้วยอกิเลสมันเป็นอปปงโคลทางนั้นแหละอะถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วภาวนาหมดกิเลสนั่นแหละจะตายยังไงก็ตายเกิดมาตายพแรงลนะเพราะนั้นใอ้พวกเราอย่าไปคิดอะไระใครคิดประกอบคุณงามความดีเท่านั้นแหล ะ, ะเราเกิดมาทั้งทีชีวิตเนะีอยทำรีให้ได้ ประกอบคุณงามความดีให้ได้อันไหนดีให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาประพฤติปฏิบัติมันไม่ถึง100ร้อยปีเราต่างคนต่างไปและเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้พูดแนวความคิดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนะให้ได้ฟังแต่ น, น, นานๆพวกเราจะได้ฟังอย่างนี้ถ้าหากว่าพวกเรามันยังเห็นนั้นอยู่นะหลวงพ่อจะจะต้องพูดอีกนะเข้มงวดขวดขันนะ อพระเนนทั้งหลายนะลูกหลานทั้งหลายนะเละเละละละเงอะเงอกังหักไม่ได้นะอทางว่าผู้ไรตั้งมาอยู่ในวัดของหลวงพ่อเนี่ยอขาดเหลือขาดตกอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยไนะรอเอื่อนั้นหลวงพ่ออมองดูอแต่ทางว่าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตั้งใจภาวนาไม่ตั้งใจปฏิบัติหลวงพ่อตําหนินะอบวถมาทั้งทีบวถมาในพุทธศาสนาอันไหนดีรู้ไหม หลักทำวินัยตาศึกษารู้แล้วว่าสิ่งนี้มันผิดและอย่าทำถ้าว่ามันผิดแล้วอย่าทำทำที่มันสิ่งที่มันไม่ถูกที่เราเข้ามาศึกษาเราไม่ได้เข้ามาอย่างอื่นเข้ามาศึกษาตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดจำเนียกว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรนี่แหละถ้าพวกเราทาได้อย่างนั้นนะ อยู่น่าสถานที่ใดไม่เป็นที่หนักใจของสถานที่เขาเพราะนั้นพวกเรานะไปอยู่น่าสถานที่ใดอย่าให้สถานที่เขาหนักใจกับเร า, าเราเป็นคนดีสรุปแล้วนะเอาต่อไปนเปิดเทปเอ็มบีสามฟังนะเอานั่งคาตมาที่นะทีนี้นะพาลูกหลานขัดทายญาติโยมนั่งคัตมาที่ฟัง